ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับคดเสดนี้บรรดาท่านุทธบริษัทเมื่อฟังแล้วจะทราบจะจะรู้ว่าเสียงแห้งมากกำลังไม่มี <c oughs> ตอนนี้ก็เพราะว่ากำลังป่วยเครียดหลังจากที่พ้นขีดขึ้นความตายมาได้ประมาณ1ิบสองชั่วโมงเป็น <c oughs> วันนี้ เป็นวันที่16ธันวาคม2534ก็ขอเล่าเรื่องความสำคัญเมื่อวานนี้คือเมื่อวันที่15วันอาทิตย์วันอาทิตย์ 15, ที่15ธันวาคม2534หลังจากตื่นขึ้นเช้าฉันอาหารเสร็จไป พ, พักที่ตึกอินทพงษ์ ขณะนั้นประกว่ามีหัวใจเต้นเร็วมากมันเร็วหนักขึ้นยังั้งมีการกระสับกระส่าย <c oughs> <c oughs> เจอคุมอารมณ์ก็ไม่เคยอยู่น้อยที่สุดก็ต้องหาทางออกจากตัวไปไปหาเพื่อนคุยให้มันพ้นทุกขเวทนาไปที่ไหนไปสนักพยายมบ้าง เือเทวดาที่ท่านรักษาบางังในธรรมาร า, ารทั้งสี่เป็นต้นแล้วก็ไปที่เทวสภาก็ตามสวรรค์แลตามพรมต่างๆจะไปที่ไหนก็เบื่อหมดเคยไปมาแล้วก็ไม่มีอะไรเมื่อกลับเดี๋ยวลงมาดูร่างกายเห็นก็สับสะสายคยคิดว่าวันนี้เป็นวันตายของเรา <c oughs> อ ก, การอย่างนี้มาใจเต้นแรงจัดเต้นเร็วมากความหนุ่ยปรากฏแท้โมก็เต้นเร็วมากหนุยมากเป็นพิเศษหลังจากนั้นถึงเวลาเพลิก็ไปฉันพัะตาหารก็ปรากฏว่าฉันพัะตาหารไม่เคนลงเพิ่นเฉยฉันได้มากกับฉันได้น้อยน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็น เมื่อฉันพัฒนาหารเพลิเสร็จเขากลับเขาพักก็มีทั้งบริษัทบางท่านไปที่นั่นเมื่อฉันพัฒนาหารเพลิเสร็จก็มานั่งที่เตียงเมื่อเพื่อนที่เตียงพักผ่อนชั่วคราวก่อนจะเข้าห้องก็มีคนจะเข้ามาหาก็บอกว่าอย่ามาเลยเดี๋ยวจะพักเขาคงไม่รู้ว่าป่ยาวปยเขาก็มีอาการป่วยมากเมื่อเข้าห้องพัก ต่อที่ไปก็ต้องใช้จิตจุกเกี่ยวคือไม่สนใจกับร่างกายไม่สนใจวัตถุวัตถุธาตุใดาๆทั้งหมดเอาจิตมุ่งพลิพภันฑ์เป็นอารมณ์แล้วก็ไปไหวพระเจ้าองค์ปัจจุบันที่มาของท่านหลังจากนั้นท่านคุยเล็กน้อยถ้าบอกว่าไปมารคของเธอพอถือวิมันแล้วท่านก็ไปด้วย พระโกศที่นั่นสว่างสอยมากก็มีญาติโยมน้งหลยที่ตายไปก่อนเข้ามาเยี่ยมกันหลายร้อยท่านพอ <c oughs> ถึงเวลาบ่ายโมงสิบห้านาทีก็ลงมาเข้าห้องน้ำล้างหน้าหลังจากนั้นพระไตรกาพระทีพเขาไปรับเป็นประจำ เมือนพระฤาษีไปการประทิปนำย่ยามมายำนำพื้นผ้ามาก็ถามว่าเวิญญาอยู่ไหนก็กลับไปหาเวิญญาหาเว้นตาเท่าไหรก็ไม่เจ้าก็ไม่พบคือเว้นตานมันจะวางเฉยเฉใส่ปลอกไว้ด้วยทั <c oughs> ้งสององค์หางสองเตี้ยวเปิดไฟฟ้าสว่างก็จําได้ว่าเวินตาวางบนโต๊ะถ้าเราอยู่คนเดียวใครจะขโมยวิญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรตาคนแก่เขาไม่มีใครอยากขโมยอยู่แล้วเวลานี้ก็ยยกยังเข้าใกล้แปดสิบถ้าพูดตามความมันจริงก็ควรจะตายทัทีพ่าอยู่นานมาได้ับคัญจันทีแต่พู้ทุกข์ถ้าทหารจะถามว่าถ้าอยู่อีกสักร2 0ยี่สิบปีกับตายเดี๋ยวนี้เอาแบบไหน ก็ต้องขอตอบด้วยความเต็มใจว่าต้องการตายเดี่ยวนี้อยู่นานเท่าไรก็เป็นทุกข์มากเท่านั้นตายแล้วมีความสุขก็รู้บ้านที่อยู่ก็เป็นว่าก็ลงไปรับแขกพระบีกาพิรัตขอโทษพระปหลัดพิรัตกับพระสมุบัญชามรัฐเป็นประจำ เวลาผมผ้าพระปิติกาพระทีพก็จัาการผมงผ้าให้มือไม้มันสั่นหมดทั้งตัวสั่นทั้งตัวนั่งรถไปที่รับแขกพอขึ้นบันไดปรากเสพหะมันยื่นออกมาขวางลำคอก็ก็ไอทันทีเวลาอื่นมันก็ไม่เป็นเวลานั้นต้องการจะพูดเขก็ห้ามพูดพอเข้ามาถึงที่รับแขกก็ไอยอย่างหนัก ญาติโยมพุทธบริษัทวันอาทิตย์ก็มีมากเพราะนั้นมีรถบัสมาประมาณห้าคันรถทัวร์รถ เ, เล็กอีกเยอะคนมากมาถึงพอนั่งปุทั้งแตวายสงฆทานกันการถัายสัสงฆทานนี้ก็ต้องเร็วช้าก็ไม่ได้เพราะไม่ทันเวลาเข้าเรียงกันคีเข้ามาเป็นแถว กะดาที่เขาถวายส้วนฐานก็อายจัดท่านอไม่ยอมหยุดจะแจกจะส่งของ ข, องขวัญว่าของกำนันที่ระลึ ก, ก, กให้แก่บรรดาญาโยมผู้สอดบริษัท์ก็ใช้มือไม่ได้ก็เอามือมากลุมปากเกี่ยวกับอาอแล้วข่าวเสลท์คนจิงตับโพติหน้าประชาชนจะไม่ข่าวเสลทจจะน้ำลายนั่นมันมีความจาเป็นในเมื่อเสียง เสียงมันออกไม่ได้เสียมเมันขวันคอก็ต้องขากขากไปสองสามครั้งครั้งที่สามาก็มีเสีมหมะก้อนหนึ่งติดออกมามันเป็นปม อ, อยู่กลางสี่เหลี่ยมประมาณสองสองซนติเมตรแล้วก็มีสายสองข้างมีความกว้างประมาณหน1 mm, 1ึ่งมิลิเมตรหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรยาวประมาณข้างสองนิ้ว อาตอมาเองก็ไม่ทราบราเจ้าเสพหาอันนี้มาออกพอดีสิาจ่าสิบเอกตุย๋ยชี่จริงไม่ทราบชื่ออะไรแกผ้าเช็ดน้ำํำลายเช็ดมือบาให้กระดาษแกกระดาษเช็ดปากเท้าเช็ดอะไรก็เชี่ยมาที่เสพหาติจีวอนก็ก็ดาษจับมันก็ไปออกต้องใช้มือดึงขึ้นมามันเหนียวมากดึงขึ้นมาแล้วก็ทั้งสายแต่มันไม่ขาด ถ้าดึงยืดมันก็ยืดคล้ายๆอย่างถ้าเจ้าปุมตรงกลางของมันโตขึ้นปิดหลอดลม ม, มาเรื่องความตายพนวบดาท่านบุรฟังคนที่จะตายทำไมมีสภาพเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดถ้าเธอเธอว่าราจะตายขึ้นมาก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มาบังไม่หมอทราบความจริงเมื่อวันที่สิบสี่คุณหมอสุธรรม เอง โ, งโรงพยาบาลแม่ละเด็กที่ตั้งที่วัดท่าสงก็มาเด็ดชวดเ ช, ดเช็ดตรวจ ต, ตอนเพลนให้เครื่องจับตรวจหัวใจด้วยหูฟังด้วยฟัดความดันด้วยทุกอย่างดีหมดคุณหมอสุกทรานมีความยิงสนใจมากเป็นเศตอาทิตย์หนึ่งเช็คให้สองสามครั้งพราะว่าทุกอย่างก็ปลอดถ้าพอวันที่เด็กห้ามเล่นในตอนเช้า ในขณะที่เจ้าสาได้ออกมาเสียงก็พูดออกมาได้ก็พูดขยะโยมได้แต่อาการท่าทางบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านยังคิดว่าไม่ป่วยทั้ง น, นี้เพราะว่าต้องใช้คันติอย่างสูงคำว่าคันติคือความอดทนอดกั้นเก็บความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาไว้ ทำจิตใจผ่องใสทํหน้าเบิกบานถ้าคุยกับญาติโยมเพะฉะนั้นบรรดาพระกฎพระในวัดก็ดีญาติโยมก็ดีที่มาก็าคงไม่เศร้าป่วยเป็นว่าต้องนั่งทุกข์ทรมานรับแขกอยู่ถึงเวลาสามโมงครึ่งตามเวลาก็ากลับกลับมาถึงกุฏิมาถึงที่พักก็ไปเยี่ยมเจ้าสนักโรกอ่อน มันมียาห้าหกแม่เมื่อเยี่ยมเสร็จก็ขึ้นปกติพรนัดเคินคงดีอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุธรรมเป็นผู้ให้ยาตามแพทย์สั่งเ่าก็จัดยาให้เวลานั้นก็มีพระครูประหอัอนันต์ติดตามอยู่เป็นปกติขณะที่ฉันยาเสร็จใจมันก็เต้นเร็วหนักขึ้น จนกระทั่งเสียงออแอยังมีความรู้สึกว่าวันนี้เราคงไม่รอดจากความตายแต่ถ้าตายวันนี้เราจะดีใจมากแต่มีความไม่ห่วงอย่างคือการเงินของวัดเพราะการสร้างวัดเจ้ามันดานท่านบริษัทไม่ต้องการในใครรับทุกข์ต่อภายหลังอย่างที่บรรดาท่านต่สงสัยกันพูดกันบ่นกันว่าถ้าหลวงพ่อตายเสร็แล้วใครจะปกครอง ขอโทษเรื่องคนปกครองหาไม่ยากเพราะว่าของทําดีแล้วคนปกครองหาง่า ย, ยารเรื่องการซ่อมแซมเรื่องการซ่อมแซมนี่หนักวัดในตอนหลังสร้างไม่ต้องการให้ซ่อมแต่เมื่อก็ต้องซ่อมเป็นของธรรมดาเมื่อเก่าแล้วถ้าไม่จะเป็นคองเกิตก็มีการแตกมีร้าวเป็นของธรรมดา <c oughs> จึงด้พยายามหาทุนไว้ เพื่อการซ่อมแซมของวัดนี่บัญชีก็มีสองบัญชีบัญชีฝายธนาคารคือมีสองฝ่ายฝ่ายของวัดกับฝ่ายของโรงเรียนในเมื่อตายไปแล้วในขณะนี้ก็เกรงว่าจะมีการสรับสนขึ้นทั้งทั้งที่บัญชีก็เขีนยนข้างหน้าไว้ว่าบัญชีนี้ใช้งานอะไรบัญชีใช้งานอะไรของวัดหรือของโรงเรียนบอกไว้ชัด แต่ถึงันาดก็ดีบางบัญชีอาจจะหายก็ได้แต่เพราะว่าเมื่อปรากฏคนเรวปรากฏขึ้นเขาคิดว่าเราน่าจะทำบัญชีเป็นขระดาษไว้ล้วถ่ายภาพเอกสารแจกพระอทงกรรมการสงท่วไปถ้ากรรมการวัดกรรมการวัดก็เป็นใครมีหมอสมศักดิ์คนโำรวจสมศักดิ์สุสงวนอดีตแพทยใหญ่คนตำรวจ ยกเปัญญานุตาร์ไลแล้วก็เดินฉายคอมันแล้วก็เมี่ยวเมี่ยวนี่ชื่จริงอไรไม่ทราบที่สนใจใกล้ชิดกับวัดจริงๆไปมาเสมอใจการต่างๆอยู่ก็มีสามสี่คนนี่แหละจะแจกไว้ให้เป็นที่รับทราบว่าการเงินเล่มนี้สมุดเล่มนี้ใช้อะไรเจ้อะไรเป็นของวัดหรือของโรงเรียน ก็วความจริงเขียข้างหน้าแล้วก็นึกในใจว่าควรควรจะพิมพ์ปกในไว้ด้วยปกด้านในแต่ก็ใจมันก็ไรเหียเสียงก็เครือจึงเบาก็ครูประหลัดอนันต์ว่าอนันต์เจ้าครูเสียหมดฝากธนาคารอยู่ในกระเป๋าลูกนี้นะแล้วก็กระเป๋าข้างในมีสองกระเป๋าคือของโรงเรียนกับของวัดย้ายสับสนกัน ในเมื่อผมตายแล้วคุณคก็คุค้มให้ดีรู้หน้าพร้อมกับครอครัวนั้นก็รู้สึกว่าหน้ามันเขสบายหลังจากนั้นท่านองค์สองก็ไปเพ่ออาตมาต้องการอยู่คนเดียวคิดว่าเวลาเราเกิดจะท่องแม่เราเกิดคนเดียวเวลาตายจะพาใครเขาตายไปด้วยได้เราก็ต้องตายคนเดียวเจอความรู้สึกของจิต ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราสบายละเพื่อว่าไม่ใช่จิตสังหารไม่เป็นความรู้สึกตรงหลังจากนั้นก่อนที่จะ น, นอนก็บอกให้พอนุษพอขอยาควบคุมหัวใจของพ่อหน่อยหนึ่งที่หมอให้ไวเธอก็หยิบมาให้หนึ่งเม็ดก็กินเข้าไปนอนจากสี่โมงใจค่อยๆเป้นน้อยลงน้อยลงเบาลงเบาลง ถึงห้าโมงเย็นใช้ศัตร์ธรรมดาก็รู้สึกว่าจิตเรียบเพราะใจได้เป็นปกติยาวเขาดีมากหลังจากนั้นไปพอหกโมงเย็นก็นเห็นเทวดาหลายท่านหลายสิบท่านยืนเรียงรายอยู่ในอากาศใกล้ๆตัวจากใกล้ตัวไปถึงไกลตัวหลายสิบท่านมีเท้ามาราชทั้งสี่ ยืนอยู่สองข้างข้างละสองโอท <c oughs> ี่เวลาหกมงย็นก็ปรากฏมีคนคนหนึ่งโทษมาสามคนแต่เข้าใกล้ชิดคนเดียวแต่งตัวสีน้ำเงินแก่เอาสีน้ำเงินในแบบผ้าหยาบๆที่ช่างเอาใช้กันแก่ใกล้ดำเข้ามายืนกใกล้ๆบอกว่าวันนี้เวลาตีห้าตรงครับเป็นเวลาไป เขาพูดจบท่านก็ไปเมื่อท่านไปแล้วก็คิดในใจว่าคำว่าคนคนที่โกหกจะมีโรคเดียวคือโรคมนุษย์โรคอื่นเขาไม่มีการโกหกเคยไปเมืองนรกแล้วก็ขอให้นายดิจิบาลนำบุคคลคนหนึ่งขึ้นมาพูดมาคุยกันเมื่อขึ้นมาแล้วท่านมีสภาพเดิมเหมือนสมัยเป็นมนุษย์ท่านเล่าความเป็นมาให้ฟัง ตามความเป็นมาของท่านไม่น่าจะลงนรกแต่ความจริงท่านก็นลงก็ถามความจริงท่านแล้วก็ก่อนจะกลับก็ยับว่าที่พูดมาเป็นความจริงหรือท่านก็นท้วงติงว่าไม่น่าจะพูดซ้ำํำก็ว่าพูดที่จะโกหกมีโลกเดียวคือโลกมนุษย์ตั้งแต่โลกนรกกันไปถึงสวรรค์ น, นิพพานไม่มีใครกโกหกเขาพูดตรงไปตรงมาในเมื่อมีท่านที่มาบอกอย่างนั้น ว่าคืนวันนี้ตีห้าตรงถึงเวลาจะไปบรรดาท่าน พ, พระรษจัดควรจะดาวกำลังใจจะมาไม่ถูกถ้าถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรก็ต่อมีความรู้สึกเฉยๆปกติไม่ใช่สะเทือนใจหรือไม่ใช่ดีใจปกติเพาะการนึกถึงความตายนึนกทุกวันอยู่แล้วนึกตลอดเวลา ว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายตายแล้วเราจะไปไหนที่อยู่เรามีแล้ว <c oughs> เราสร้างที่อยู่ไว้สวยสดงดงามเรื่องอะไรที่จะมาชิดใดกับอาคารบ้านเดินโรงที่รที่รวงโรยแบบนี้ต้องทำความสะอาดกันทุกวันก็ไม่หมดความสุขปรบร่างกายก็เต็มได้วยความสดกสุยิ่งแก่ลงมาทุกทีเวลานนั่งแล้วก็ลุกไม่ขึ้น นั่งเก้าอี้ยังลุกไม่เยไหวถ้านั่งเพื่นราบต้องมีคนยกถ้าทางร่างกายก็ทางเท้าก็ไม่ไมปกติอเออเสียดอยู่เสมอเลยก็มีคนประมาณเก้าเก้าเก้าเก้าเอร์เซ็นะมัง้งที่มีความรู้สึกอัตามาร่างกายปกติมีความสุขดีกาลังป่วยเครียดนั่งรับแขกแต่ว่าหน้ามันแช่ชื่นจิตใจมันเบิกบาน เมียโยมบางท่านถามว่าสบายดีหลวงพ่อเขรู้สึกหนักใจถ้าตอบว่าสบายดีก็โกหกถ้าตอบว่าไม่สบายญาติโยมก็จะไม่เขาจะหนักใจก็เลยใช้สับใช้เฉยคือยิ้มยิมบอกไม่เป็นไรโยมคุยกันได้เพียงเท่いいいいいいานั้นหลังจากที่ท่านพูกมาบอกบอกแล้วก็มีความรู้สึกว่าทําไมคนสนักปัญญายมทุก คราวจะถ้ามาแจ้งข่าวต้องน่งแดงใส่แดงแต่วันนี้ใช้ชุดสีน้ำเงินริงตั้งใจจะไปสนักพยาลมพอนึกถึงนม่ยายมขึ้นมา เ, าเขาก็ยับก็จะไปท่านเาวเวรรค์ก็บอกว่าท่านลุงมาแล้วลุงทั้งสองมาแล้วท่านมาทัานทีถึงทันที <c oughs> ท่านถามว่าจะไปหาผมทำไม ก็บอกว่าเมื่อกี้นี่มีคนเข้ามาบอกว่าคืนวันนี้ตีห้าจะตายท่านรยายมนะรลวงพ่ก็ บ, บอกว่าเขาไม่เรียกคำว่าตายนะเขาเรียกว่าไปไม่ใช่ตายตามศัพ์ภาษาบาลีที่พระเจ้าถุนตระกาลังกตวาทำการละแล้วไม่ใช่มาังกาตวาทำการตายแล้วไม่ใช่อย่างนั้น เขาเรียกว่าไปเขาทั้งก็ถามว่าจะไปหาผมทําไมก็อยากจะไปถามว่าทําไมยังส่งคนมาได้แต่งตัวไม่เหมือนเดิมท่านพระยายามท่านก็บอกว่าไม่ใช่คนของผมนะครับนั่นคือพระการถามว่าพระการที่ไหนพระการองค์นี้อยู่สวรรค์ชั้นดาวดิง้งเป็นพระอนาคามีเลยถามว่าถ้าฉันจะไปฉันจะไปไหน พอดูบัญชีของลุงทีท่านบอกว่าท่านจะดูเรื่องกฎของกรกรมต่างๆจะรงมรรคคมไหนเป็นเป็ดเมือะไรน่ะไม่มีแล้วผมลบทิ้งหมดแล้วผมเขียนไว้แค่สองตัวถ้าเปิดบัญชีให้ดูที่แผ่นนั้นมันเป็นแผ่นพิเศษแผ่นกระดาษเป็นเพชรแข็งตัวเป็นเพชรสว่างพระสว่างมากเขียนวาแค่สองคำ อ่านว่ายัางไงก็ไม่บอกบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเพราจะไปสะเทือนใจคนหลายคน <c oughs> ก็ดงความว่าเมื่ออ่านบัญชีแล้วก็บอกว่าท่านไม่ต้องกังวลต้องอผ่านสนักพยายมถ้าท่านทําบุญขนาดนี้ต้องผ่านนอพยายมลูกศิษย์ของท่านทั้งหมดก็ต้องผ่านเหมือนกันลูกศิษย์มันต้องไปกับอาจารย์ ถ้าดุษฎีไม่นอกครูต้องไปกรจารยแน่ฉะนั้นท่านผ่านสนักผมลูกสิษย์ทุกคนก็ต้องผ่านถ้าทราบว่าเวลานี้ท่านไม่มีสิทธิจะผ่านสนักผมถ้าท่านก็ไม่มีสิทธิจะเดินโนอบายภูมิฉะนั้นเลยเมื่อท่านไม่มีสิทธิโอบายภูมิลูกศิษย์ที่ตติตตาท่านปฏิบัติได้ดีมากกว่าตามได้ดีน้อยกว่าตามก็เพิ่ต้องไปตามท่านเมื่อคุยกันพอโช่วคราว ท่านก็ลากลับเธอบอกว่าเอาคุยกับเทวสวรรก็แล้วกันยังไงก็ถามท่านพระมาก็ไม่ได้คุยเอยียจะถามท่านทเทวสวันว่าอยากจะพิมพ์หนังสือสักนิดหนึ่งคือจดเลขหมายบัญชีที่ฝากว่าของวัดมีเลขหมายบัญชีอะไรบ้างของลิงนมีเลขหมายบัญชีอะไรบ้างแล้วก็จะอัด เขาถ่ายภาพเอกสารแจกกรรมการส่งแจะกรรมการวัดทุกคนจะรับทุกคนจะเดีนทราบรับทราบตามความเป็นจริงว่าบัญชีไหนใช้อะไรไปเรื่องยืนยันยกันขอโทษบัญชีเสียงสะดุดนี่ถึงไฟฟ้าดับเขาเป็นเขาเป็นเครื่องท่านท้าเวรตัวนั้นก็บอกว่าสามทุ่งครึ่ง คงจะช่วยกําลังของท่านให้ไปพิณลองซื้อได้ก็บังเอิญจริงๆเอว่นตาที่อ่านซื้อได้ก็หายเอาแว่นตาสำรองมาใส่สถ้าถามสามทุ่มครึ่งก็ไปที่แทน่นพิณแล้วก็บังเอิญเป็นเครื่องแทน่นพิณไฟฟ้าคุณสมิตราซื้อให้สองเครื่องก็นั่งค่อยๆแตะใช้าๆ ดูแต่ที่จตตัวสองตัวมันก็ยังผิดเป็นว่าน้องสือฉบับนี้ท่านสารมดีพรมว่าไม่ควรให้ใครแก้ไขทิ้งไว้เปนอนุสอนใครอยากจะรู้ว่าคนแก่ที่ป่วยหนักและกำาลังเครียดหมดแรงใกล้จะตายตาลายอนันสืไม่ออกอ่านสืบที่แท้แท้พิมไม่เห็น ก็สามารถพิมพ์ผิดบ้างถูกบ้างมนี้ไว้เป็นอนุรน์แล้วก็จะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงในวันหน้าเมื่อค่อยๆเข้าไปเสร็จมันก็ลืมนั่นบ้างลืมนี่บ้างย้อนไปย้อนมาสมุดบัญชีบางเล่งไปอยู่ที่ธนาคารเข้าไปเอาไปแก้ไขในเมื่อเบิกมาจ่ายเขายังไม่มาส่ง ก็ต้องรอบัญชีส่วนนั้นแม้ว่ามาทำเสร็จกว่ายะเคาะเสร็จได้หนึ่งหน้าก็ใช้เวลาไปมากใกล้จะห้าทุ่มค่อยคทอยทำทีแปะทีแปะมองตัวก็ไม่เห็นต้องเดาเอาแล้วก็ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีการร่างก่สมุดมันดูไม่ได้เคยเคาะที่จตัวเอ้มือก็สัน่นตัวก็สัน่นใจก็สัน่น ถ้เป็นว่าทําถึงเวลาใกล้ใกล้ห้าทุมก็เลิกสี่รอนสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็เดินเข้าห้องน้ําเวลาใกล้เวลาสิบยี่บสามนาฬิาหรือห้าทุ่มอีกสิบนาทีห้าทุ่มบ่ายจรารบัดที่กลมานอนเป็นเพื่อนเมื่อล้มตัวลงนอนอีก็คิดอย่างเดียวว่าเราจะไปไหนที่เราต้องการนั่นก็คือทิพาน แล้วก็พระนิพพานเรามีสิทธิไหมก็ตั้งแต่ว่าขึ้นที่วสิทธิมันอยู่ที่ใจก็เลยไปนิพพานไปนอนเล่นที่นิพพานจนถึงเวลาตีสามยินเสียงนกกาฬาเวลาตีสามก็ลงมาเมลงมาคิดว่าท่านพระการท่านบอกว่าเราจะต้องไปเวลาตีห้าตรงเวลานี้เราควรจะพร้อม ก็ขอโทษขณะที่ประการทั้งบอกเวลาที่ห้าตรงนะก็บอกว่าเต็มใจฉันพร้อมแล้วจึงค่อยๆลุกขนหยิบจีวรมาห่มหยิบสังติมาพาดมานั่งที่เจริญกรรมฐานค่อยเวลาการตายพอนั่งลงปุ๊บ ก, ก็บปรากฏทศสามดีรมพรมพร้อมกับพระอินทรานั่งข้างหน้าทันที หลังนั้นจากนั้นก็เห็นเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างผรมบ้างลงมาเป็นชุดๆอ่องเต็มจากขวานหมดจะมองทางไหนมันเต็มไปหมดสุดทุกสุดกําลังใจที่จะมองเห็นไม่รู้เขาเพลียู่แค่ไหนหลังจากนั้นสักครู่หนึ่งท้นเด็ดพระรงคูก็เสด็จก็มีพระพุทธเจ้าสี่องค์คือหนึ่งอมปถมสองต้นเด็ดพระทีปังกรสามต้นเด็ดพระกระศก ทีพระสมณโคดมพระสมณโคดมท่านนั่งแท่นตรงหน้าแท่นท่านใหญ่องค์ท่านใหญ่มากที่ว่าถ้าจะเทียบกันก็สูงเวลานั้นประมาณทักสีห้าวาร่างกายเติมแตวพระบรญยักษทั้งสี่องค์พอท่านนั่งลงปักบรรดาพระสองฆ์อาจารย์้งหลายก็มากันเต็มมีสภาพแจ่ใสไม่ไดโคนหัวพระอาจารยนะใส่ชายายดายอดแหลม วันนั้นไม่มีใครถอดเจดดาลสยจดาเต็มหมดเมื่อพระมาพร้อมได้ไไนท่น า, ารรทนถามว่าเธอจะไปไหนก็กราบเรียนแล้วบอกว่าเมื่อตอนหัวข้าวตอนหกโมงเย็นถ้าการมาบอกว่าจะต้องไปเวลาห้านาทีห้านาฬิกาตรงท่านถามว่าเธอจะไปไหน ก็แต่ว่าถ้าไปก็ขอไปนิพพานถามท่านว่าข้าพเจ้าจะมีสิทธิ์นิพพานไหมเพื่อเขตอบว่าเธอเพิ่งลงมาไม่กินเองถ้าทําไมจริงเพื่อบอมีสิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วถ้าจะบอว่ามันยังไม่ถึงวาระที่ฉันต้องการวาระที่ฉันต้องการไม่ใช่วันนี้ต้องเป็นไปตามกำหนดที่ฉันบอกไว้ ฉันบอกไว้แล้วสามครั้งใช่ไหมครั้งที่หนึ่งบอกสองระยะระยะที่หนึ่งระยะที่สองครั้งที่สองบอกสองระยะครั้งที่สามเธอบอกว่าไม่ต้องการเป็นสัมผัสเอาระยะเดียวฉันก็บอกว่าอายุเธอเท่าไหร่จะต้องตายได้ <c oughs> ถ้าไม่ถึงเวลานั้นยังตายไม่ได้ <c oughs> ก็นึกในใจว่าใ น, นเมื่อองค์สมเด็จพระจอมเกล้าท่านตัดอย่างนี้ก็รอดูรอ ด, ดูเวลาวัดทีห้ามันจะเข้ามาถึงเมื่อไรแล้วก็เวลานั้นจะไปได้หรือไม่ได้ก็ น, นั่งมองดูเขาองค์พระบรมครูท่านตัดว่าถ้าจะไปในคุณจะไปเฉยๆก็อย่างนี้ไม่ได้มันต้องมีรถที่มารับอาราบรดาท่านพระบริษัท ยันบอกหมดเวลาหมดแล้วก็ขอพิกหน้าสองต่อไปขขรับพังต่อไป